มีสติอย่างไ ร, <ค>รจึงจะเกิดปัญญ า, ญญาสติหรือความระลึกได้หมายถึงความตระหนักรู้ในปัจจุบันหลายคนมีสติแต่ก็มักเผลออยู่บ่อยๆเหตุเพราะใจไหลไปกับอารมณ์และความปรุงแต่งนึกคิดเรียกว่าขาดสตินั่นเองเมื่อขาดสติ ความคิดปรุงแต่งก็ยิ่งครอบงำเกิดการปรุงแต่งในอารมณ์เช่นฉุนเฉียวหลงไหลเศร้าซึมฟุ้งซ่านทยานอยากจนสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นสำตะชัญญ า, ญญาคื อ, ค, อควา ม, วามรู้สึกตั ว, ตวคนที่สติอ่อนกำลังยังไม่ตั้งมั่นนั้นเป็นเพราะ สัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเมื่อใดที่มีความรู้สึกตัวจะทําให้สติอยู่กับปัจจุบันและตั้งมั่นมากขึ้นสติที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันทุกขณะก็คือสมาธิสมาธิที่ถึงพร้อมด้วยสติและความรู้สึกตัวจะทําให้สติคมชัดในแต่ละขณะปัจจุบัน จนสามารถเห็นความจริงแท้ของโลกหรือเห็นโลกตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นโด ย, โดยไม่ยึ ด, ม, ยดมั่นถือมั่น น, นั่ น, น, นคือปัญญ า, ญญาการมีสติเพื่อให้เกิดปัญญาจะต้องมีทั้งสติและสัมปชัญญะกล่าวคือสติจะต้องมีสัมปชัญญะประกอบอยู่ด้วยเสมอ เพราะเป็นองค์ธทรรมที่มีความต่อเนื่องกันและสัมพันธ์กันถ้ามีสติแต่ขาดสัะชัญญาจะละวางอารมณ์ภายในใจขณะนั้นไม่ได้เช่นมีสติรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่ยังอยากทำอยากพูดถ้าพูดไปแล้วขอให้เกิดความเสียหายก็ยังอยากพูด ความเมามันในอารมณ์ด้วยความอยากความโลภไม่รู้จักพอความอิจฉาลิสยาความหลงไปชั่ววูบเหตุเพราะขาดความรู้สึกตัวหรือสัมปชัชญะนั่นเองฉะนั้นเมื่อเรามีสติเราต้องมีสัมปัญญะด้วยคือรู้สึกตัวถึงอารมณ์ความต้องการของตนเอง ความโลภความอยากความต้องการใดๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหากเรามีสติและมีความรู้สึกตัวว่ามีความโลภความอยากความต้องการที่กำลังครอบงำใจเราในขณะนั้นความรู้สึกตัวนี้จะทำให้เราละวางอารมณ์และกิเลสที่ครอบงำใจเราในขณะนั้นได้โดยลำดับ เปรียบเสมือนสติเป็นเครื่องกำกับจิตแต่ความรู้สึกตัวเป็นสติภายในที่คอยกำกับใจเราฝึกสติภายนอกเพียงแค่เอาใจใส่ตั้งใจรับผิดชอบในหน้าที่การงานเท่านั้นยังไม่เพียงพอเพราะบ่อยครั้งที่เรายัางเดือดร้อนทุกข์ใจกับการงานที่ทำเหตุเพราะ เราไม่ได้ฝึกสติอย่างลึกเข้าไปในใจของเราจนเกิดเป็นความรู้สึกตัวหรือสติภายในใจที่แข็งแรงและสามารถอดทนต่ออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้อีกในหนึ่งความอยากความต้องการความโลภไม่รู้จักพอและอารมณ์ต่างๆที่คู่กรุ่นครอบงำใจเรามาเนิ่นนาน เกิดขึ้นเพราะเราขาดความรู้สึกตัวที่ดีและตั้งมั่นจึงเป็นเหตุให้ใจเราไม่สามารถอดทนต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบหรือยั่วยุได้และนี่คือสมุทัยหรือต้นตอสาเหตุของความทุกข์ความวุ่นวายและการละเมิดสิลงผิดธรรมอยู่เนือง ถ้าอธิบายในแง่จิตวิทยาจิตมนุษย์นั้นประกอบด้วยจิตสำนึกจิตใต้สำนึกและจิตเหนือสำนึกการที่คนเราจะไปแก้ไขพฤติกรรมต่างๆภายในจิตใต้สำนึกซึ่งถูกครอบงมด้วยอารมณ์และกิเลสต่างๆมาเนิ่นนานจนเป็นนิสัยและความเคยชินของความไม่มีสติลงลืม รีบร้อนเร่าร้อนหงุดหงิดเศร้าหมองนั้นเราต้องเริ่มแก้ไขด้วยการฝึกสติในระดับจิตสำนึกที่การกระทาการพูดและการคิดให้รู้จักกระทาพูดและคิดด้วยความมีสติจากเคยรีบร้อนหู่วามก็ต้องหัดใจเย็นๆจากเคยเดินไม่ดูตามาตาเรือ ก็ต้องหัดเดินด้วยความมีสติรู้จักสังเกตตัวเองและสิ่งต่างๆรอบตัวเราไม่รีบร้อนเดินผีผลาลมประมาทเลินเล่อจนเกิดอุบัติเหตุจากเคยทำอะไรแบบขอไปทีก็ต้องหัดทำอะไรด้วยความตั้งใจและความรับผิดชอบเป็นต้นสติที่เกิดจากการฝึก ในระดับจิตสํานึกในชีวิตประจําวันบ่อยๆจะค่อยๆเกิดสติในระดับจิตใต้สํานึกมากขึ้นมากขึ้นและมีสติรู้สึกตัวได้ถึงอารมณ์ตัวเองมากขึ้นจนมีความใจเย็นรอบคอบไม่หู่วามไม่เร่าร้อนไม่โกรธง่ายรู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นต้นเมื่อสติได้รับการฝึกฝนพัฒนาดีแล้วทั้งในระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกก็จะเกิดสติในระดับจิตเหนือสำนึกซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่ายานหรือยานทัศนะไปจนถึงปัญญายาน การเห็นด้วยสติในระดับจิตเหนือสำนึกหรือการเห็นด้วยยาณทัศนะนี้เป็นเทคโนโลยีทางพุทธศาสนาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบเมื่อกว่า 2,600 ปีก่อนดังที่พระองค์ตรัสไว้ในประถมพุทธภาสิทธคถาว่าเมื่อก่อนเรายัง<ร>ไม่ไมพบ<ม>ยาน เราสแสวงหาในช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาผู้สร้างพกพจึงได้ท่องเที่ยวไปในวัตะสงสารเป็นอนเนกชาความเกิดทุกคราวเป็นทุ่มพรมไปแน่ในช่างผู้สร้างเรือนบัดนี้เราพกญาณแล้วเจ้าจะมาสร้างเรือนสร้างพกชาให้เราไม่ได้อีกต่อไป ซี่โครงทุกซี่หรือกิเลสของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนหรืออวิชชาเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงหนึ่งซึ่งทำอันปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วเพราะเราได้บรรลุธรรมที่สิ้นไปแห่งปัญหาแล้วโดยทั่วไปเรารู้จักแต่ความรู้ที่เกิดจากการนึกคิด ใครครวนพิจารณาหรือคาดทะเนไปตามสมมติฐานหรือสมมุติปัญญาต่างๆของโลกซึ่งเราได้รับการฝึกฝนเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่ซึ่งความรู้นี้เป็นความรู้ที่อยู่ภายใต้สมมุติปัญญาตของโลกอันตกอยู่ภายใต้ทวิภาวะของคู่เช่นยาวสั้น ไกลใกล้กลสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเป็นต้นแต่ความรู้ทางธรรมนั้นเป็นความรู้ที่อยู่เหนือสมมุติปัญญาตของโลกคืออยู่เหนือของคู่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีทามครัวตาผู้เป็นอาจารย์ของท่านว่า ใครๆก็บอกว่าท่านอาจารย์ย่นระยะทางได้ครัวตาหัวเราะและตอบว่าฉันไม่ได้ย่นระยะทางหรอกแต่ในใจฉันไม่มีคำว่าใกล้หรือไกลเมื่อไม่มีใกล้หรือรไกลฉันกาหนดเจตนาว่าจะไปไหนฉันก็ไปได้ไดชั่ว ล, ลับนิ้วมื อ, มอ นี่คือตัวอย่างของการปล่อยวางสมมุติปัญญาต่างๆของโลกอันเป็นตัวบังปัญญาและความรู้แจ้งนั่นเอง I'm t h n y o e Go oh, a l o oh.